ขาดวันนี้เป็นจิต ท, ที่เราต้องปฏิบัติจ้าตุทธโธน์แลมชุดสี่ข้ามขาดจากขึ้นเดืนสิบเนี่ยยี่สิบสี่นาฬกาวันนี้ก็จะเดนสิบอีกอหนึ่งเดือนก็จะออกพรรษาเนี่ยเวลาการเราได้ไวมากภาษามาเมื่อสองวันจะพรรษาเนี่ย นเดือนเก้าวันนี้แรงจะอือข้ามเดือนเก้าทำไมไม่จะเดือนเพราะเดือนชี้ขาดเดือนคู่เต็มชี้ต้องมีหนึ่งคู่ที่สองเดือนขาดก็ขอเจริญพรญาเิงทั้งหลายโปรดคิดตีความหมายคุณจุดเดือนขาดคล้อยขาดด้วยความชั่วขาดด้วยหายนะ ขาไม่ด้วความแล่นแค้นในชีวขอให้เ ต, ติมเติมชีวิตด้วยความดีเรามาสร้างความดีต้องละความชัด่ดมาสร้างบุญต้องละบาปสร้างบุญแต่อาบาปมาไว้นในใจนี่สุด้มากงานสุดายเลาที่มีประโยชน์ในกิตประจําวันขอขอเจริญพรทั้งหลายเรามาทําบุญเนี่ยง่ายเนี่ยง่ายมากเอาสตางค์ไปซื้อมา ประช่างบุญให้เกิดความสุขในครอบครัวให้สามมีภรยาสามมิตรกันทะเลาะกันลูกทะเลาะกัมาทุกตรงนี้คือบุญเอาอย่างนี้มาเป็นบุญเอาอย่างนี้มาวายะกลับไปนั่งทะเลาะกันลายช่างบุญต้องละบาปสร้างความดีต้งละความชั่วได้ถ้าความชั่วลามาได้ตีจะได้หรือเพราะความเต็มเป้าจตกระเป๋าตลอดเลยการความดีไม่สามารถจะมีช่อง บางบ้า น, านปิดเอาความชื่อเขไว้ความดีจะไปช่วก็เข้าม า, าอยาดอาตมาแผา่เมตตาสงกรมปภาษาสุมพันธ์มันเปิดยางกล็ดเปิดช่องสามชีวิตไม่สิ้นวันดับจะไปเปิดช่องเจ็ดไม่เจอกันก็นกเล่าไม่ต้องเจอกันต่อไปเจอกันไหมไอ้คนหนึ่งขึ้นนคะรองสวรรค์อีกควนหนึ่งร่องเท่ไปเจอกันที่ไหนเจอแน่นอีโคมเจอที่ไหนเจอที่ไหน เจอที่ไหนที่เมนตัวที่เมนนแล้วบางคนมามาจะกินยาตายอยากตายไม่กินโปรกูนามาไปนอนที่เมรเนี่ยวจะปิดประตูให้ไม่ต้องเสียค่ายาไปซื้อยาเขลกไข้ามาทำไมยากตายเลยสาทุกคนทนที่รัฐสงายตรวจมาแสนจะยากตายง่ายเลย อยากตายอยาายอยากตายเหรอกอยากตายยังไงอยากหมกบบเวรหมดกรรมไหอยากบบบหมกเวรหมกรรมมาเลยหลวงพ่อจะช่วยเข้าไปนานซะที่เมรัยเลยถ้ายังมีลมหายใจนี่มีแต่เวรกรรมกรมสนิทท่านสาธุชนทั้งหลายน่าจะคิดความหมายได้และ ว, วันนี้เป็นวันธรรมโฉนดนะเป็นวันพระท่านควรจะมาทบทวนชีวิตนะ ไม่มีเลยเหรอไม่มีการทบทวนหนึ่งสัปดาห์ขาดทุนอย่างน่าเสียดายแต่ขาดทุนก็ไม่รู้เอาใจเลี่ยงกำไรแต่ทุนไปไหนขายของเอาแต่กำไรทุนหายกำไรจมแล้วจะได้อะไรจะได้อะไรฮะขายยังนับอาแต่กาไรแต่ทุนไปไหน มันมีการลงทุนเหรือสร้างความดีก็ต้องลงทุนลําบากพี่น้องที่รักที่มานั่งกรรมฐ า, านกันท่านต้องลงทุนเสีอค่ารถไหมและมาเนี่ยเสียเวลาไหมไม่อยาลงทุนตรงนี้แต่ท่านมาลงทุนเลยคิดจะสบายมานั่งกรรมฐ า, านคิดเรื่สบายลำยากมากลําบากที่สุดแนละ้วเหมือนพี่สุนิกรเห็น ไ, ไหมลาบากระโบนึกเกิงกินยาตายแล้วฟื้นขึ้นมา ไปทั้งพรมมโลกไปทั้งนรกเดี๋ยวนี้บวชเป็นเพื่อนกับเราเคยมาที่นี่เมือ่อสีสิบปีมาแล้วแบบนี้ไม่ทราบว่า ไ, ไปอยู่ที่ไหนตายอะไรอย่างไม่ทราบแต่งตัวซะดีเลยต้องการตาใสานริกาใส่ซ้อยแต่แล้วมันก็อยู่ที่ศพมันจะสามารถจะ น, นมันไปได้เลยเอาไปได้แต่ผ้าสะบงผืนเดียวกลับมาพร้าวกับหนุมเปียกกล้ยหนึ่งหวีที่ทอด เขาไว้พป่าสังฆานนอนหนาปายไม่ได้มีหรือบุญอยู่ตงีงไหนนาซี น, น า, าเวลาของท่านวันพระควรจะทบทวนชีวิตสักเวลาไม่ได้เลย ว, วันพระเนี่ยสักคำเมลงยังไม่ได้เหรอเนี่ยอดทนสักคำเมลงไม่ได้เลยไปทบทวนเรื่องที่ไม่ไร้สาระไม่เป็นประโยชน์โจทย์ผลจะเประการใด อาจหาวสมองก็าไวในเรื่องความชั่วพ่อแม่ที่เลวสร้างความมายีกับลูกทําไม่ถูกกับหลานเลยลูกกาลังจํามันก็จําเรื่องเลวๆของพ่อแม่ไวพอขึ้นไปก็เลยมันพ่อแม่ที่สร้างความเลวให้กับลูกตลอดเลการอย่าไปโทษใครเลยท่านสาธุชนโทษโทษตัวเองโทษตัวเองดีสุดอย่าไปโทษคนอื่นใจประการใดข อ, ขอฝากไว้ในโอกาสอานเป็นหามกคนในวันนี้ มงคลอยู่ที่ตัวท่านมงคลแปลว่าความปลื้มใจดีใจในสิ่งที่มีประโยชน์ในชีวิตจิตประจำวันอย่าให้เสียใจอย่างหน้าแห้งแหล่งน้ําใจเป็นอาบะมงคลเลยพี่น้องทะเลาะกันผัวเมียทะเลาะกันเป็น อ, บอนนาบะมงคลเขี่ยไม่ชนะบาทอ่ดพระภัยมณีจะมาอยู่คัวันนั้นแน่นอนที่สุดแตไม่มีพระภัยมณีจะประการได้บางคนไม่เข้าใจเลมาวัดทำไม มาสมัยก่อนโบราณ น, นันยคมสมเด็จพนางเจ้ารับสั่งในวันที่11เล่าบันทึกไว้เลยทางเสียพระไทยมากเดี๋ยวนี้กระทรวงศึกษาเอาหน้าที่พระมงค์สินนถามออกไปไม่เด็กนักเย็นเดียร์ตอ น, น, นสมเด็จพนางเจ้าการทรงฤิกิ์ในการศึกษาพ่อแม่จะรับทานข้าวพร้อมกันท่านเล่าให้ฟังเมื่อวันที่11จาได้นะ ท่านเล่าจำได้ไหมเนี่ยองค์นี้จำได้บันทีกลวยใครเถียงไม่ได้ไปพูดสนามหลวงมาเนี่ยแล้วก็ครูสอนนักเรียนไปลา ม, มาว่าหน้าที่พลเมืองที่ดีย่ามีศีลธรรมเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ให้เคารพพ่อเคารพแม่ไปโรงเรียนต้องไหวพ่อแม่สามโหนไปเจอผู้สูงอายุ เรื่องทางขอประทานทโทษโดยไปก็ทางไปต้องยกมือไหวเดี๋ยนี้ปากล้าค้ า, ขาแข็งเถียงทั้งพ่อแม่ยกใหม่สมัยหมนี่กระช่วงตัดออกตัดออกหมดเลยเอาหน้าที่พรลเมืองที่ทำตัดออกแล้วการกระตันอยู่แต่ผื้นแผดินก็หมดไปใน ก, การรับสั่งในวันแม่ของสมเด็จพระนางเจ้าอาตมาจํามได้หมดทุกข้อจอบไว้ด้วยจอบไว้ด้วยอาแทบไปด้วย หาเฉียง ไ, ไ, ไม่ได้ไม่ได้ฟังลเลยเหรอม่ไจะฟังเลยเหรอมือไปเช็ดปิ่งเขาที่ไหนไม่ได้ฟังนะ <c oughs> นี่บอกบอกคนนี้คนอื่นเราไม่ไดีจะพูดกระคำ <c oughs> ฟังว่ายัางไง <c oughs> <ช>อะไรฮ <c oughs> ะย่ังงั้นเหลอมัน โอ้จำแม่นีลยแล้วไม่ได้ถึงคนเก่าเลยแหละที่เขาหาผืนแผดินให้เราอยู่ถามที่สนามหลวงบอกอินโดจีนฝรั่งเศสเกิดเมื่อไหร่ตอบพันชัยเลยยังไม่สอนเด็กสขขงครามรอดเกิดเมื่อไหร่ตอบได้ไหมเนี่ยใครตอบได้ยังให้ละวันให้น้าชาถ้วยตอบไม่ได้เพราะครูไม่เคยสอนเด็ก ใ, ใครเป็นครูไห ม, น ม, มเนี่ยทีเนี่ยขอถามยกมือยัง ใครเป็นตั้งนามชาติไทยใครเป็นครูภาษาฝังใครเป็นคนตั้งนามชาติไทยก็แหมกรรมฐานรุ่าานนี้อาชุ ง, งอสอนดีมากไม่มีพูดเลยคือน้อยน้อยพูดน้อ ย, อ ย, อ ย, อ ย, อยทําความเพียรมากอย่าให้อายฝลัง่งมีฝลั่งมานั่งนีบเ่าเนี่ยเชื่อใจฮะ ไอเดียฮะไอเดียมาเรียกยากอย่างนี้มาจากประเทศเยอรมันคอนอินเทอร์เน็ตมาแต่คนไทยอยู่ในเมืองไทยไม่มีอินเทอร์เน็ตมีแต่ครูนิ่งครูนิ่งครูนิ่งนีมาจากเบรลิน ชายมาอสุ ง, ง่ะฮะฮะมิลลิเป็นนิลหรอเขาทางกรรมฐานได้ไหมคนทายายเขาไปดูสิอ า, า, ายุท่าไฮร่สิบสมนังคนอายุสสิ เดินจงกรมได้ไหมขอชมเชยครูอาซุงอสอนได้ดีมากใช้ภาษาฝรั่งเศสสอนเหรอัภาษารั่งเศสอังกฤษเขาเรารู้เหรอเขาเป็นเยอรมันเขาเรียนเหรอยังงั้นเหรอแล้วมาแจวสอนภาษาแลรอ แม่แจสอนภาษาแล้วพี่น้องกีฬาอังลฤงไม่เคยมาประเทศไทยมาเป็นครั้งแรกใ ช, ใช่ัหยและปรับอากาศไม่ถูกมาถึงประเทศไทยมันหนาวเหลือเกินหนาวจนน้ำแข็งอยู่ในตู้เย็นถูกไหมยี่เขาปรับอากาศได้หรือยังน่านี่น่ามูทนามกา เดี๋ยวเขาจะกลับสิ้นเดือนนะกลับไปญาตินะยายเขาไปพักงงโรงแรมโปรตูนาว่ารถไปส่งดอนเมืองไปส่งที่เครื่องบินเลยแล้วก็เครื่องบินดอนเมืองไม่มีปโปรตูนาเอาเครื่องบินของเราไปเอง <c oughs> ของเรามีเครื่องบินส่วนตัวด้วยโยมอายฝรั่งนี่เขาโค้เขาค้นอินเทอร์เน็ตมาใช่ไหมอินเทอร์เน็ตมันรู้ดีจังอินเทเน็ตที่เมตาเขามีเนะ บินมาเลยลงดอนเมืองอินเทอร์เน็ตมันบอกลงดอนเมืองแล้วเขาก็โค่นแผนที่ดอนเมืองนี่จะไปไหนไปตลาดมูชิตเอ้ฝรั่งรู้จักตลาดมูชิต้ว้ยเนี่ยนี่รู้จักตลาดมูชิตไหมไม่รู้เลยแล้จากตลาดมูชิตว่าไงอินเทอร์เน็ตมันว่าอย่างนั้นเหรอ แล้วรบพระพังธ์แล้ ว, วทำยังไงต่อนั่งบริจาคสิบาทเข้ามาอินเตน็รู้ละเอียดจังเอเราอยู่นี่ยังไม่รู้ว่ามีมาเตอร์ไซ์เเน็มีมาเตอร์ไซ์ไหนโยงกัเโยงกันตแต่อบเหมยงขึ้ยนยงกลงงดบอกให้ยงกลองกลอง อายุทลายอายุยีสิอาชุออ่มอมแฟนแล้วอย่างหบผู้ไทยมาดวัดอัมพวันวัดอัมพวันผู้ที่วัดอะไรอัมพวัน จังหวัดสิงบูลรควนเยอรมันสวยมากมนี่เขาตั้งใจปฏิบัติเลยมั้ยและไม่พูดว่าใคร มาที่แรกกราบพระไม่ได้เดี๋ยวนี้กราบได้เรียบร้อยสวยอยู่แฟนเฟื่เขาไม่มีกลาบไปจากนี้เขาจะไปต่อปริญญาโทเอกที่ลอนดอนนี่ทำไมมาวัดอภิวัลคนมีบุญวาสนาเกิดเทพภรสังหอนให้คนอินเทอร์เน็ตมาที่วัดแต่พวกประเทศไทยมีบุญมากเหลือเกิน เพราะว่าเมฆหมอกบังวัดอภวร์มองไม่เห็ น, นทั้งคนครุงเทพคนมองไม่เห็นทั้งสิริพรและลัตนาเพราะว่าเทพรจ้าทําให้เมฆหมอกบังให้เห็นวัดอภวรบุญมีแต่กรรมบงังมองไม่เห็นไดัดอภวรงเห็นไดัดอพวร์ไหมนะไม่เห็นหนูสามาเนแล้วไม่ผูกใครเลยใช่ไหม ทำไมจะพูดก right <many to> <you> ับใครได้เล่าเพราะคนอื no ่นพูดมันไม่ร ah ู้เรื well ่องเขาจึงไม่พูดเดินจงกลมระยะไหนอ่ะให้เขาเพิ่มให้เขาหน่อยควงหนอยกหนอได้ั้มได้เขาเข้าใจดีั้ยสติคืออะไรสรมมชัญญาคืออะไรเขารู้แล้วอย่างนาา อย่างนงั้นแหละโอ้โหโคลแฉวเลย <c oughs> เดี๋ยวคือเดี๋ยววันนี้หล๋ยพ่อจะขึ้นเงินเดือนให้ <c oughs> เออาขัน้นให้เงินเดือนห้าขัน้นสอนได้ดีมากสอนฝรั่งรู้เลื่องเนะแต่ใช่ไม่ได้เงินเดือนต้องตัดเหลือขั้นเดือน ก็สองคนไทยไม่รู้เรื่องสอนคนไทยไม่รู้เรื่องเนี่ยนี่สอนเขาไม่พูดเลยแล้วเขารับทานอาหารไทยได้ไหมออนหะ อ, อ, นอะร่อยทานเผ็ดได้มั้ไหมออาทานเผ็ดได้ฮะพ อ, อา ท, าทานหวานได้ไมั้ย ทานเบียได้ไหมไม่ทานเบียไม่ดหไม่ทานเบียไม่ทานเไม่ไม่เาเพราะเล่าประเทศเขาไม่มีอ๋อเขามาเยอรมัคบกับคนไทยสิถ้าคบก็เป็นไทยเป็นเพื่อนตรงทานเหล้าเป็นคนไทยชอบทานเหล้าทานเหล้าเป็น แล้วผู้หญิงเล่นใหม่เนี่ยไม่ทานเล่าดีเลือเินรักษาถิ่ดีทานท่วนาทานถั่วายทุกวันถูกมนี่ลั่งขอนอุจเนกมาเองอายุยี่สิี่ปีใช่ไหมมงคนอายุสี่สิเร่างยใหญ่เป็นเยอรมันเหรอถามเขาที่บอกว่าสั่งไปคิดถึงฮิตเลอร์ บอกนี่คิดถึงฮิตเล้วบอกนี่ฮะบอกที่ฮิตเล้วเป็นน้องชายเราไม่ชอบก็ไม่ชอบแล้วด้วยสินี่ใครวอกอยู่ใกล้บอกบอกหลวงพ่อก็ฮิตเล้วเป็นพี่น้องกันนะแล้วตอนนี้จะแปลงติดใช่ไหมสั่งบอกหน้าชื่อเรียกยากสั่งบอกให้ไปบอกแฟนเาที่ดอนน่ะ แฟนเราชื่อเจ้าหญิงแดนาแบกบนะชงอ้นนะวนขอฝาพวกเราด้วยนี่สลังมางฆ่าจะมาเดี๋ยวนี้นครเบียงจังนนมาสูนย์วิวันเต็มนล้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปแล้วระดับพันตำรวจเอก 1, ร้อยห้าสิบห้าพันพลตำรวจตรีชืบ็ดแต่แต่นครนปฐมขึ้นชือเบ็ดจังหวัดภาคอีสา เปนศูนระดับในพันตําหนวยเอกทั้งหมดห้าวันห้าคืนนีกองทัพ บ, บกอยู่บนสลากบนสลากขอเขจเริญพรผู้ปฏิบัติธรรมแปลว่าผู้สร้างชีวิตเป็นแก่นสารคนไม่หนีธรรมะชีวิตไม่เป็นแก่นสารบอกหนูสองคนลูกสาวจะับเป็นลูกสาวหลวงพ่อวนันต้องมาปฏิบัตินะครับรองจะให้เป็นดอกเตยดาษ ไปนอกตลาดแล้วไม่ต้องห่วงลาบลองใครมาขอต้องร้อยล้านเลยแหวนเพชรอย่าไปเอาใครฉลากเขาไม่เอามันแหวนเพชรลูกสาวนะคนที่มันแหวนเพชรลูกสาวคนโง่ก็มันเงินสดเขาไม่ดีเลยแหวนเพชรมันทำอะไรได้สมมติแหวนเพชรเนี้ราคาสองล้านมาเลยสองล้านเงินสดเอาไวรธนาคารยังได้ดอกแลแว้วแหวนเพชรไปนะไวรธนาคารได้บอกนะ ต่อไปมีเงิ น, นธนาคารทันธนาคารจะเก็บค่ารักษาเงินอีกถามไรสิเรานี่เป็นผู้จัดจา ก, การใหญ่ธนาคารผู้เลยจะไม่รู้เหรอแต่ใครมีเงินมากๆไปสาธนาคารก็ต้องเสียเงินเปล่าโปรวูหน้าฝากธนาคารตละโลกเบิกว่าทุกเสาที่เบิกทั้งเิกาไนดะ้เข้าใจคำนี้ไหมเข้าใจคำนี้ไหมเนี่ยเข้าใจยังไง ไม่ใช่เอาไปสาธนาคานปาระโลกหลงพ่อเป็นผู้จัดการนาคารทาโลกปาระโลกรู้จักปาระโลกไหมไม่ใช่์คงคยไปตายจะได้อกไปได้ไหมเอาไปได้ไหมได้่ได้ <c oughs> การเจริญพระการอานเนี wow. ่ยเป็นการสร้างชีวิตให้เกิดความหมายสร้างชีวิตให้เป็นแก่นสารจะทำอะไรไดหมดจะเรียนอะไรสมเร็จหมด คนเรากรรมฐ า, านไปเมื่อไรเข้าใจผิดที่ว่าจะต้องไปสวรรค์นิพพานกรรมฐานแปลว่าการระลึกเหตุการณ์ชีวได้สองลูกกฎแห่งการได้แน่นอนว่าเราทำกรรมอะไรไว้จะได้แก้ไขจะได้ไม่สร้างกรรมใหม่จะได้ใช้กรรมเก่าให้หมดไปเที่ยธรมาไปต้นเอาการ์ตูนไปอ่านให้ลูกหลานอ่านใช่ไหมในประวัติคนนี้ยแน่นอนเลยสร้างความชั่วมาโชค จึงไม่รู้ว่าความดีเป็นอย่างไรคนไม่รู้จากความชั่วมันจะได้ดีเหรอแต่ไม่เป็นไรนะไม่ว่ากรรมาฐานมีปัญหาแก้ได้ปัญหาเกิดขึ้นแก้ได้องไทยคงมันไม่อยากจะทากรรมาฐานะนให้ลูกหลานดีไม่ใช่เชนนั้นเสมอไปพ่อแม่สร้างความดีส่วดมนต์วจนะจิตใจใสสะอาดกาหนดจิตได้ นักปราดมาเกิดจะเป็นหญิงก็เป็นนักปราดจะเป็นชายก็เป็นนักปรากถ้าจีใจโสบบลอกบ้านโฉโบรกและทรัตว์นรกมาเกิดเสียงพ่อถึงแม่ทำไม่จบฟากแล้วไร้มารยาขานชาติผู้ดีไม่มีสินทํามลูกก็ไม่สวยไม่รวยทรัพย์ไม่นับวิชาไม่มีมาย่ายเป็นชาติผูดีไม่ีสินทําไม่ได้ถ้าเจอมเนี่ยจะท่านทั้งหลายไม่เอาไม่เป็นลายเสียดายของท่านที่จะต้องไปวัดมาในวันข้าหน้าต้องตาย ท่านเลือกเกิดได้ไหมเลือกตายได้ไหมอะตมาเดี๋ยวนี้ไปทั่วโลกแล้วรู้แล้วถ้าเลือกเกิดได้เลยนะไม่เอาเมริกาอเมริกาก็ไม่ไปฮิโคไปเกิดเป็นลูกประธานาธิบดีสิงคโปร์เงเดือนแพงกว่าประธานาธิบดีสหลัฐเลือกตายได้ไหมสร้างบ้านแล้วตายผ่าไปตายในนะสร้างบ้านแล้วตายถ่าไปตายกลางถนน ชบายแล้วตายผ่าไปตายในห้องนะ้ใช่ได้หนาเสียดายเวลาที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันมากพี่น้องที่รักทั้งโยมชายโยมหญิงถ้าต้องการดีทํากรรมฐานเสียสตังไม่ต้องเสียเวลาที่มีประโยชน์เสียเพื่อดาชาเพื่อไหวเดินก็เดินตรงกลมให้ชาเพื่อไหวเข้าใจคำนี้ไหม ทำไมาช่าผู้ไว้เดินจงมั่นใจจนมีสติดีแล้วจะวิ่งก็ได้จะไม่ล้มจะไม่เซ่เพื่อไว้ไว้ะรู้มีสติประจำจิตประจำใจถ้าช้าไม่ได้เร็วดอนได้หาดีไหมเข้าเถื่อนจะเตรียนพระเข้าปาต้เปลียมมีท่ากระท้าขวาฟาดหนาวมันมากแล้วเกินประสาษ คร้าว่าเราเนี่ยเกิดมาในสายพันโลกเหมือนอยูนอยู่เนียกลางป่าไม่รู้ว่าข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเตรียมจะได้ไหมสิพรพรเตรียมหาอาวุธเข้าป่าต้องเตรียมเข้าเตียงต้องเตรียมพระเข้าป่าต้องเตรียมมีพระกระทาขวานศาสหนามันมากเราจะปลูกบ้านเนี่ยต้องาทาทังให้บ้านให้เตียงเราจะหาที่ปลูกบ้านแสนจะยากแล้วเดี๋ยวนี้ทํำไมมีผัวมีเมียกันง่ายนะนะ มีผัวมีเมียกันง่ายนะนะปูกเรือนอย่างยากต้องท า, ง ต, งทางต้องทางกว่าจะหาเงินมาได้ปูกเน้าปูกเรือนใจจะลำบากแองเรียมไม่ท่ากับท่าขวานมากมายเหลือเกินเหมือนเราเนี่ยเยืยนอยู่ในกลางป่าแล้วรัตนากําลังเยอนอยู่ในกลางป่ารู้ไหมทรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้มาเรือนจะเกิดอะไรขึ้น ต้องเรียนอาวุธเด๋วนี้อาวุธคือลายสิริพรอาวุธคือลายต่อพระยังดอาวุธประจำตัวคือลายปัญญาบุธโทปัญญาเป็นอาวุธปัญญาในตัวถึงจะเป็นอาวุธปัญญานอกตัวเป็นอาวุธไม่ได้คนที่เลวเดี๋ยวนี้ ปัญญานอกตัวช่วยใครไม่ได้ปัญญาในตัวเนี่ช่วยเราได้คืออาวุธประจำตัวอาวุธคือปัญญาแหลมเลืกแก้ปัญหาชุดได้ตรงนี้ไปบอกลูกเนาะบอกลูกหลานหน่อยอย่าไปใช้ปัญญาคนอื่นนักหลาดจักรวีมีปัญญาของชาวโลกมีปัญญานอกตัวแต่ช่วยใครไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าของเรามีปัญญาในตัวช่วยตัวเองได้ เพิ่มตัวเองได้สองตัวเองได้สามารถช่วชาวไร่พ่นทุกได้นี่ปัญญาในตัวแปลว่าปัญญาวุฒิถูกสมาธิเป็นลมใหญ่ภายในรอบย่อมลมเย็นเป็นสุดหรือพองางเข้าใจไหมเข้าใจไหมถ้าเข้าใจอยู่เย็นเป็นสุดไม่มีความทุกข์ต่อไปอย่าไปเอาทุกจรมาได้ไหมพี่น้องทีละ ทุกของรเราก็เต็มเป่าเต็กระเป๋าอยู่แล้วไปเอาทุกจอนางนี้เหรทุกนอกบ้านามาทำมันเนี่เอาทุกมาใส่ตัวเยอะรู้ไหมเนี่ยที่พูดเนี่ยรู้ไม่ทุกทราบจะไม่รู้ทราบจะไม่รู้ทุกเราทําขมขนืนอยู่ในใจิตใจขืนต้องอมขมต้องกลืน การจเจริญกรรมาฐานต้องการจะกําจัดทุกข์ที่มันแสงอยู่ในจิตใจมันมัวหมองอยู่ตลอดไปที่เละแปลว่าเศราหมองใจระยะชัดอย่าไปแปลว่าโลคกระดูกแปลว่าที่เละแปลว่าเศร้าหมองใจจิตใ จ, จมัวหมองมันมีเมฆมาบางังพระชิตเมฆมาบังพระจันทร์จะไม่มีแสงสว่างจะไปกันได้จะมัวหมองตลอดไปไปทั่งตายเลยกลายเป็นคนหัวสมองเสีย ปัญญาจึงไม่เหมือนกันปัญญาแปลว่าความไม่รู้ปัญญาแปลว่ารู้จริงปัญญาแปลว่ารู้เหตุผลต้นปลายรู้กาลเทศาทจิตใจลัคนารู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษ ร, รู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์กต่มาถามจึงต้องชี้แนะให้ชัดกายในุญญาสนาจะยืนเดินนั่งนอนเหยวซ้า ย, เ, ย, ายเหียวขวากู้ยึดขามีวุ่ น, นัยมีสติไวจะมีมรารยาสวยน่ารัก นี่คือกายจะเดินตรงกรมก็จะชา้าพอชา้าจะได้ช้าสองเล่มงานใจเล้ยเด่วนได้ครามชวาดขาดหัวใจไม่ดีเลยใจแล้วเนี่ยสุริพรไม่ีใจเย็นไว้ใจเย็นเนี่ยมันจะรวมน้ําเป็นสา ม, มัคคีแห่งน้ําแข็งถ้าใจร้อนน้ำํำจะละลายจะแตกความสามัคคีในวงย่าในระหว่างพี่น้องจะไม่มีอะไรที่จะเหลือที่ตองดองไวได้เวทนานุ ป, ปัชนาเศรประชาน พี่น้องตรรมฐานเบลซาเอทนามีสามสุขก็เป็นเวทนาทุก็เป็นเวทนาไม่สุขไม่ทุกก็เป็นเวนิเดขาเวทนามีความสุขก็ต้องตั้งกำหนดตั้งสติไว้เดี๋ยวเกิดมีความทุกข์จะแก้ไม่ได้ต้องรู้ทั้งสุขรู้ทั้งทุกข์รู้เหตุการณ์ทั้งชุดดูด้วยทั่วประการใดจะบอกไว้ชัดเจน หน้าบัด น, นี้ในงานจะมีอะไรที่มีประโยชน์ในชีวิดได้จะไม่ได้เลยนี่เวทนาปวดเมื่อยทนได้ไหมเป็นสมาธาีง่ายจุดแต่พูดทุดกวันพระแต่ไม่มีใครฟังเอาไปใช้เอาไปเก็บทิ้งหมดเพราะปวดในยลิกเลยปวดในเลิกเล ย, ย, เ, ล เ, ลยเลิกได้เหรอตายให้มันตายใช่ก็ขึ้นตั้งหรือดับไปเดี๋ยวเวทนาก็าแยกออก เราก็ปวดไม่ปวดเราจิตจะได้ไม่ไปอุปาทานยึดมันถ้าจิตไะยึดมันแล้วจะมีอะไรบ้กังวลสนเทอยู่ในเรื่องนั้นเลยวสติไม่ดีเลยสมาธิไม่ดีจะทำอะไรก็เสียหายมากทำไมเสียเลยคาดปัญญาเมือนมีประโยชน์เลยตัวเองเลยหมดค่าหมดราคาชีวิตไม่มีค่าเวลาหมดไปหน้าสีดดาย เวลาไม่มีประโยชน์ต่อชีวิตที่มีค่ า, า ก, การเจริญกรรมฐานต้องการจะสร้างชีวิตให้มีค่าให้มีราคาตีค่าราคามัย้ยเพชรที่กิโลเราจะตีค่าชุดเพชรที่กิโ ล, ละจะตีค่าเวลาชะมั่นก็จะมามั่นอย่าเอาอย่าเอาเพชรดอกเลยแหวนเพชรเนี่ยวงละห้าล้านเอาเงินมาเลยเอาไปสาธนาคานให้ลูกมันจะได้ดอกมั้ยไอแหวนเพชรเนี่ซื้อมาแสนหนึ่ง หมดไปสองชั่วโมงเอาไปคืน 8, 8ปดแปดหมื่นลดไปสองหมื่นเห็นเนง่ยลดราคาเนะี่ยแต่ใครมีลูกสาวมาั่นเอาเอาเงินจะมาเน่เพื่องมีลูกสาวอยู่คนสามคนแต่เข้ามามั่นนะเอาเป็นเงินเงินจะได้ไปฝากทังให้ลูกทรมาห้กิน โดนแทงตายหรือเอาแหวนเพชรถ้าเป็นเงินวัฒนาคาคขายมาฆ่าใครไหมนี่บ้านนี้เอาแหวนเพชรเหรอดีโถ เ, เพชรต้องอยู่ในดวงใจสัจจเมตตาชมาคีมีวินยัยสัจจเวมาตาวธ า, านีเพชรน้ำหนึ่งในดวงใจพูดจริงทําจริงเหรอได้ไหมพูดไม่จริงทำไมา่จริงแสวงแบแหวนเพชรยังไงก็เสียเวลาแหวนเพชรทําให้เสียใช้ตา แหวนเพชรมาวัานยังหัวใจแล้วไม่เสียสจยตาใครแล้วใครมองก็ซึ้งใจอยากรักอยากคบคาสมา ค, คมเพราะแห ว, วนเพชรดีไม่มีแดงเขียวสายแฉมระกดเหลืองสายสดบุษราคามแดงแตกโกเนมนเอเสชบอกไม่มินอาการช่วงวานสายไพฑูุยถูกต้องไหมมีไหมเนี่ยมีไหมมีเหรอหมทานาด้วยเาเข้าดูดิ <c oughs> โออย่างนั้นเหรอ รูมากรมากป่าวโรงเรีนนะมีรู้มากแต่รู้จริงนีเป่าลเไม่ทราบเพราะไม่เคยสอบแล้วไม่เคยสอบเนะาะญาติโยมทั้งหลายจะมาเจ็ดวันนี้ตั้งใจทําตั้งใจปฏิบัติได้ไหมอย่าไปพูดกระใครแบบฝรั่งเขาไม่พูดกระใครเลยใช่ไหมเนะีย่ยเดินเดินมาเนี่ยคนสงาสารถามพขาช่วยเขาไม่มองหน้าใคร เลยคนที่หน้ากุติเนี่ยฝรั่งคนนี้บ้าหรือไงถามไม่พูดไอ้คนถามที่บา้าคนไม่พูดไม่บา้าใช่ไหมอาชุงอใช่ไหมฮะนี่ลองไม่พูดกันทั้งหมดได้ไหมเนี่ยเวลาไปเนี่ยไม่ต้องพูดกับใครได้ไหมได้เหรอโอ้ โ, อโหตอนนี้ได้เวลาไปนู่นเสียงดังจัง เราอขอโทษนะแม่ชีทุกคนนะสอนดีแม่สุงง้อดีมากลูกศิษย์ลูกหาไม่พูดกันนะรักษาลมดีมากและปัญญาเกิดเจ็ดวันยานขึ้นเหรอันะ น, นั้นยานขึ้นมาจะเล่นยาวตายซะแหละลมขึ้นยานแจ ก, กลาเนาะ แต่ไม่เป็นไรแต่ก็ขอยอมตั้งใจจิตตาอุปัชนาติปทาจิตเป็นธรรมชาติตรงคิดอ่านอารมณ์ราบด้วงลมอย่างเหมือนเทพประจุเสียงไม่มีตัวตนคลัม่มันมีตัวเหรอมันเกิดทางอายัาาอยวะธาตุสี่กาหนดที่ตรงนั้นตาเห็นลูกกาหนดหูได้ยินเสียงกําหนดตั้งสถิตไว้ถึงจะได้ผลไอ้พูดอย่างเนี้คนก็รู้มันรู้มาแต่มันรู้ไม่รู้จริงเพราะทำไม่ได้กลิ่นแมงเกลิ่นหอมก็กลิ่นหนอ มันเหม็นก็เป็นแหล่เหม็นก็ช่างมันอมก็ช่างมันเป็นนอลูกสิเหม็นนะแค่เหม็นนี่ยังชกกันนะก็เราตั้งสติว่าจะไปชกกับเขาเหรอเนะได้ยินเสียงก็กําหนดเขาจะด่าจะว่าอะไรก็ฉับเราอย่าไปรักเดี๋ยวนะีจิตเกิดทางอายนาธาลุสจิตเกิดทางลิ้นทางปาก รับโลดเปียนหวานมังคเข็มตั้งสติไว้ท่องนี้กายสัมผผดร้อนหนาวตั้งสติไว้นะเท่านี้เองรับรองไปโลดเลยแล้วก็ไม่สมใจกระขายรับรองมีสตีดีเนี่ยํำมีบุตรธิดาเนี่ยมังโคโนี่มาเด็กสีขวบสวดภาวน า, ากาไม่เคยพลาดไม่ไม่ผิดสวดชินาบัญชรนเนี่ยีขวบมาวานวันเสามาสวดให้ฟัง บอกแล้วก็เอาลูกแ็กมาอีกลูกแ็กมาอีกลูกสามเดือนเอาให้มาให้ดูยิ้ยมตลอดเลยก่อนที่มานั่งกรรมฐานาตั้งครรนตั้งครรนคนนี้ยได้ลูกรรมฐานาไปฉลาบเลยนะีโอ้โหพอเห็นพระเขา้ายิ้มไม่หลอกแล้วคนเนี้ยซื้อความนีสวดได้พ่อแมส่สวดมนต์ไว้พระตั้งครรน มันสวดได้แต่ในท้องเนออกมาเนี่ยพ่อแม่ก็สวดหมดสวดได้หมดมาวานมาสวดให้ไปพันบาทบอกหนูนี่แบงละพันหนูจะไปเรียนหนังสือกราบแล้วกราบไม่กราบยังไงตอนยังไม่ให้แบงไม่กราบล่ะกวให้แบงกราบเลยนี่สีขวบโรงเรียนราชินีบลอยู่ตรงไหนโรงเรียนราชินีบลอยู่ตรงไหนวะ บางนูโรงเรียนไหนระาชินีบนเฮ้บนอยู่ตรงไห น, นไม่ใช่ น, นั่นราชินีล่างะบางบือบางกระ บ, บ, บ, บ, บือเหนือส <c oughs> ิงเจ้าถึงเนี่ยแหละนะ้าบางนูโรงเรียนไหนระาชินีบนสอบได้ที่หนึ่งแล้วในโรงเรียนเขาไม่มีใครสนมุดได้ พูตระกูลทำมาคุณช่าก ค, คุณสวดได้ชัดเจนพาหงษหัสไม่เคยผิดแม่จตุรชินะบนรญทอนไม่ผิดแม่จตุนีทวดได้ไหมได้เนรอสวดให้ฟังสิชินาบนรรทอ น, นถามอะไรได้ไว้ก่อนแต่สวดบอกเวลาไม่พอ จำไว้เนี้ยเด็กสี่ขวกน้ําเหล็มใครเชีย่ยนขอฝากญาติพี่น้องไว้อยากให้ลูกหลานดีตายายปู่ย่าสวดมนต์ไหว้พระแผไม่ตาให้ลูกหลานลูกหลานดีหมดทุกคนสอบได้เป็นโอกเตอร์เนี่ยดูเย็นเป็นสุขตลอดรายการสมปรารถนาทุกประารขอฝากชัดเจนมากกายานุปรารถนาเวชนากําหนดไม่สุขไม่ทุกข เป็นรูเบคขาเวทนาต้องกำหนดรูหนอเดี๋ยวจะเบร์แปลขาสติต้องกำหนดรูหนอที่ลิ้นปี๊โกรธก็กําหนดที่ลิ้นปี๊ให้ใจเรายาวหายโกรธเลยเสียใจก็กําหนดตรงดีใจกําหนดตรงลิ้นปี๊ให้ใจยาวหายแน่นอนเนี่แก้ปัญหาเฉพาะหนาแต่นักกรรมฐานไม่เคยแก่สร้างแต่ปัญหามีจะเรื่องกันค้าขายก็ไม่ดีคนที่มีกรรมฐานแผ่เมตตารับรองคนมีบุญวาสนาจะมาซื้อของเรา ถึงจะเชื่อไปก็ไม่โกงไม่โกงแน่เดี๋ยวเขารวยเข้ามาให้เองถึงเขาหากว่าเขาจะผิดสิผิดเวลาไปบ้างหรือขาดเสียจะเดี๋ยวต้องมาชี้ขอให้เราสวดแทนไม่ตาอย่าไปแช่งเขาอย่าไปว่าเขาเลยเดี๋ยวเขาก็ต้องหันเหเล่กลับมาหาเราในเวลาที่เขามีเกิดขึ้นมีเงินมีทองขอขอฝากญาติพี่น้องมาทุกคน มีประโยชน์ในชุดในกิจประจำวันมากการเจริญกรรมาฐานจึงมีประโยชน์หลายในยะทำให้ลูกดีโลกแต่ยาเส็บติดพ่อแม่ลงให้ตกไม่ต้องไปด่าไปว่าเขาให้มันเสียวเวลาเราเอาความลายไปล้างใหญ่นะขอเจริญพรเอาน้ำสกเอปรกไปล้างชามที่มันเปื้อนได้ต้องเอาน้ำสะอาดล้าง ถึงชามทิ้จะหาเอาน้ำโสกรปรกไปล้างชามสกรปรบกเลยก็ไม่ต้องมีอะไรความสะอาดใจโสกรปรกตอน้ำสาสสะอาดไปล้างชามสกรปรกมีอะไรเรียกว่าทำความชั่วได้ดีทำดีได้ชั่วกระโถนมันชั่วมันเปื้อนทำชั่วให้ดีคือล้างให้มันสะอาดทำใจสะอาดเท่านี้ก็เกิดประโยชน์ผลที่ผลได้หลายประกาศ จิตตานุปัสสนาทิปฐิฐานจิตไม่มีตัวตนตั้งสติไว้เน่ยเลยใชเสียใจกำหนดดีใจกำหนดเท่านี้เองธรรมานุปัสสนาจิตเป็นกุศลนะกุศลเรากำหนดรู้หนอตรงนี้กำหนดรู้หนอรู้หนอให้ใจอยาบเดี๋ยวจะรู้ว่าเราทําเนี่ยผิดหรือถูกแล้วก็ยืนหนอห้าครั้งให้ได้กานหนดช้า ให้มีสติตามจิตที่ด้รับรองรู้กฎแห่งกรรมเนี่ยรู้นิสัยคนอื่นเนี่ยพอเรากําหนดด้วยชำนาญการเนี่ยเห็นคนอื่นพับนิสาลองปลายเท้าปลายเท้าคุณนิสสานิสัยไม่ดีมันจะบอกเป็นปัจจิตังคนอื่นหารู้ไหมเราเป็นผู้รู้ที่เราดูเห็นหนอเห็นด้วยปัญญาคนนี้นิสัยไม่ดียิ้มตอนกู้เป็นศัตรูตอนทวงอย่าให้คนาอีก โกรธก็สัทีเที่ยวเดียวได้ไหมอย่าไปโกรธหลายครั้งไม่ให้เรามีเงินจะไม่ให้เราจะไปส่งลูกเรียนหนังสือเข้าตาําราโบราณวะ่ะมีเงินให้เขากู้มีความรู้อยู่ในตาลาลำบากใจลึกเลยลบากใจมากมีเงินให้เขากู้เราจะใช้ก็มาด้มีความรู้อยู่ในตำลาคนนี้อยู่ในตำลาจะหาทีละคนแย่เลย ต้องท่องไว้เลยเนี่ยต้องประสบประการณด้วยตนเองถึงจะเป็นตำราที่เนี่ยนอนเรียกว่ารู้จริงเดี๋ยนี่มันรู้มากมันมีความรู้จริงจะประกันกได้ขอฝากไปคิดโดยทุนาคันด้วยแต่ท่านทั้งหลายจะมีโอกาสอะไดเล่าที่จะรู้จริงแจ้งเห็นจริงเห็นแจ้งเห็นจะหมดโอกาสที่มีได้การเจริญพระก ร, รมมฐานเป็นการแก้ปัญหาชีวิตแต่ท่านที่ฉลาดถ้าทำได้จริงกำหนดต่อหน้าเลย มีอะไรกําหนดอย่าให้มันอารมณ์้างเลยนะ้ยรับราช ก, การก็จะได้ดีมีปัญญาเพราะฉะนั้นความดีมีแต่อุปสรรคขัดขวางความดีเป็นศัตรูชีวิตเงินทองไปอสรพิษเขียนมานานแล้วเงินทองไปอสลพิษไม่ใช่ของเราอย่าไปเอามาถ้าไปเอามาต้องยิงฆ่ากันตายเป็นงูเห่าต่มาที่นี่ยากสิอย่าไปอยากได้โ ย, ยมต่างโยมบางคนเนี่ยไปโกงเข้ามาโอโ้โกงมาได้เป็นสิบล้าน แล้วจะมาทำบุญนี่วันซื้อนี่โทรมาจากช่วยสลาคนแก่สักสองล้านบอกโ no น้ไม่รับไปโกงเข้ามาจะมาให้เราเหรอนึกว่าเราไม่รู้เหรอเป็นท่อร้อยความกันแล้วไปโกงน้องมาแล้วกว็ชนะศาลให้เอาเงินนี้คืนไปโกงแล้วก็มาบอกกับหลวงพ่อวันบอกว่าจะช่วยสาสลาคนแก่สองล้าน บอกโมธนาด้วยนะไม่หลับเรากลัวชะลาเราพังพังไหมไม่เหรนี่วกกรุงเทพโทรมาเมื่อวันซึงอนึกว่าเราหวานหมูต้องได้สองล้านไม่เอรบอกให้เรารู้แล้วนี่ว่าไปโกงบอกเราพ่อช่วยแพ่เมตตาให้หนาให้ชนะความชนะแล้วจะได้เงินมาทำบุญโอ้โหอ จะให้สลาเราพังไวใชเยหมสล า, าสร้างด้วยความบริสุทธิ์ใจสร้างด้ยมีศรัทธาของประชาชนไม่ค่อยพังสาร้างสล า, าด้ยเงินโกงเข้ามาสล า, าเราก็พังไวนะวันนี้ขออนุทนาสาธุ ก, การแก่ญาติโยมอุ้ชาตตั้งใจทำกรรมฐานแผ่เมตตาที่ถึสงโสนให้เจบกรรมในเวรเจ้าเวนในกรรม ทำกรรมฐ า, านต้องการจะใช้นี่กรรมเก่าอาตมาใช้นี่งกันหมดแล้วพอหักแล้วแข้งหากขหกักไม่จะมานั่งกรรมฐ า, านสบายถ้าท่านตรงกลางสบายท่านมาต้องมานั่งต้องไปนั่งในกรุงเทพมีเบรกกินอาหารเย็ยนได้กินผลไม้ได้นั่งในห้องแอร์ตามสบายนอนทำเลยเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวเบรกแล้วกินนอนกันนี่เป็นอุโบสถนด้ไนะเป็นอุโบสถไม่ได้ กายกรรมสามมจีกรรมสี่มนโนกรรมสามไม่มีเลยถ้าจะเป็นอุโบสถเนี่ยไม่เป็นอุโบสถทำกรรมฐานไม่คึกขอฝากไว้ในเรื่องจริงอุโบสถแปลว่ารักษาบตุตรพรชนกรักษาโบสถถึงได้รอดพ้นจากการจมน้ำบาสมเมียบยาจู่ว่ารับสารว่าคนกำลังจมน้ำเรียดช่วยเขาก่อนนีน่ท่านพูดกล่าวมาสามปี เรื่องทัชนกเกิดขึ้นทันทีท่านมีอัญสงในการรักษาบูชุกจึงไม่จมนะตรงนี้น่าคิดมากแต่เรารักษาบูชุกนั่นแหะไปนั่งกรรมฐานไม่ต้องรักษาขงบดแถมยลเหล็กเดียวกินอะไรกินนู่นกินนี่กินผลไม้ทานอามารกันบ่ายโมงบ่ายสองโมงกินทั้งนั้นพี่โท้เอ๋ยอันนี้จังทุกขังหน้าตาแค่สร้างรักษาโบูชุจเสถึงรอย่างทําไม่ได้ นี่มาทำไม่ได้จะได้กรรมฐานตามใจตัวเหรอต้องกินสิไม่กินไม่ได้นะทีนล้มันอิ่มเนี่ยบางคนบอกว่าโอ้หลวงพ่อวัดนี้ไม่ก่ทธาเลยสู้ที่โน่นอีกว่ามานล่าฟังเขาโน่นคุกกินเขาบอกเลยเขาบอกว่าศีลเนี่ยรักษาแล้วศีลมันอิมอ่มไหกินเนี่ยมันอิมอนน่มไหคนถึงไม่ยมมาวัดเรา มันมายากลำบากทำลำบากเพราะฉะนั้นของดีต้องอยากของไม่ดีง่ายของเร็วก็ง่ายดีแสนจะยากลำบากใจทำยากมากขออนุโมทนาสาธุ ก, การากับญาติโยมชอบยากไม่ชอบ ง, ง่ายแล้วแต่นะวันนี้กินไม่ได้รักษาโบสดสิ่อยได้ย กายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามเนี่ขำ ม, มากปฏิบัติต้องรักษาบูชดไปกินผลไม้ได้เหรอบ้านมาเยอะนุ่งขาวมาซื้อผลมาไปกินบอกเอ๊ต้องรักษาบูชดอยู่เอ๊หลอกพ่อหนูอยู่ในกรุงเทพไปปฏิบัติมาเขากินได้นะเอ๊มันคนละวัดการที่นนวัดอะไรฮะวัดบ้านเอ๊เอบ้านวัดบ้านเป็นวัดตรงไหนบ้านตรงไหนเป็นวัดฮ กินลไม้บอกหนูนี่วัดตองรักษาโบสถ์สแต่รักษาไม่ได้ก็ไปที่กรุงเทพแต่รักษาโบสถ์ไม่ได้ไม่ได้ผลเลยไม่เป็นบุญเป็นกุศลนุ่งขาวห่วมขาวแล้วมากินอย่างเนี้ยแล้วคนฝรัลล่งเขาตีเฝรัลล่งเขายังรักมั่นคงให็นไหมฝรั่ลลงเก่งมากฝรัลล่งเก่งแต่คนไทยไม่เป็นเช่นนี้หละนุ่งขาวห่วมขาวไปกินอย่างนี้ได้หรือไม่ได้หรอก ถ้ายอมตั้งใจมีสัจจะเชื่อธรรมะาล้วสาว บ, สบุสมสดชื่นทั้งนอกทั้งในจิตใจก็ดีแค่นี้ยังละไม่ได้แล้วมากกว่ายัางงี้ก็จะทำไม่ได้แค่ละข้าวอาหารเนี่ยทนไม่ได้แล้วจะละอะไรได้แล้แถมงกินมาอีกโชบุรีอกีกโชบุรีอกีกละไม่ได้หมดทางหมดทางไม่ได้เล ย, เลย สุดท้ายนี้ข อ, อนโมทนาสาธุการด้วยอำนาจคุณเมษีแะทนใหญ่อำนาจบูงูชนทั้งหลายโปิดประทานพริญญาดวงทั้งหลายโดยทุนกกากันวันนี้เป็นวันธรรมสนะเป็นวันสิ้นเดือนแล้วนั้นหมดไปหนึ่งเดือนแล้วยี่สี่นาิกาในค่ำคืนนี้มจะขึ้นหนึ่งค่ำเดือนสิบเต็มเดือนสามทิวันเดือนสิบ อีกสิบห้าวันเดือนที่แปดออกพรรษาเลยอีกเดือนครึ่งออกพรรษาแลยนะเนี่ยวัยเยอเกินโยมออกพรรษาได้อะไรบ้างเตรียมนึกในใจว่าเราเข้าพรรษามาเนี่ยได้กรรมฐ า, านอะไรบ้างและบุญได้ตรงไหนบ้างย้ายขาดทุนเกิดมาขาดทุนเกิดมาทําไมเกิดมาให้ได้กำไรายยาขาดทุนเลยแล้วก็ของจริงเนี่ยเอาของจริงอย่าของปลอมได้ไม่เอาไปเอาที่ไม่ได้ เาจะได้อะไรฮะจะไม่ได้อะไรเลยขอฝากไว้เป็นข้อคิดในวันนี้โดยทุนกนกรรมขอญาติโยมทั้งหลายโปรดสร้างกาไรชุดอย่าขาดทุนเลยทำอะไรขาดทุนเนี่ยนาทิดายเกิดมาทั้งทีเอาดีไม่ได้แถมขาดทุนทั้งผัวทั้งเมียขาดทุนทั้งลูกโอกาสหน้าจะดีหรือแค่เกิดมาทั้งทีเนี่ยคาว่าเป็นมนุษ ย, ย์ยังรักษาไว้ไม่ได้ โอกาสหน้าจะเป็นอยา่างไรวันนี้มาไม่ได้พรุ่งนี้จะมาได้ผลัดวันประการพุง่งหลวงพ่อปีหน้าทิงจะมานั่งกรรมาฐานจนผลัดไปจนตายเนี่ยรอให้ลูกสาวแต่งงานก่อนเพราะลูกสาวแต่งงานเนี่ยไม่ไม่มาล่ะรอให้หลานแต่งงานอีกก่อนแล้ค่อยมาแล้วหลานที่ไหนจะแต่งงานคนไทยเนี่ยชอบเอาเอ า, เอาดอกทาต้นนี่ไปดูฝลั่งไม่เคยเลี้ยงหลาน เธอไปเลี้ยงเธอเองฉันเลี้ยงเธอมาแล้วจะฉันไปให้เธอเลี้ยงลูกเธอเหรอเนี่ยฝรังเนี่ยเขาตายไปเลยนะแก่ๆ แ, แล้วมาเที่ยวกรุงเทพไปมาเอาลูกหลานถ้า ล, ลูกหลานไม่ดูพ่อแม่แต่แต้องทั่วตัวเองนะอย่าคิดว่าจะพึ่งคนนี้ได้อย่าหมายเลี้ยงเอาบุญแดงเขาเป็นดอกเตยแต่เราสองคนตายายต้องทั่วกันไปจนกว่าจะชื่อธรรมะถ้าอยากสบายนะนเนี่ยน้องเลยจะบอกให้บ้านคนชลา พวกเดียวกันสเปคเดียวกันคุยก็นสนุกเลย8ปาสิบเก้าสิบคุยกันสเปคดีไหมสวนไปไหมจะไปไหมลบลีมีในบ้านชนชลามาสองวันนี้ไปให้ไวสามหมื่นมูนุทิไปเคยไปดูไหมบา้านชนชลาไปดูที่รุ่นเดียวกันคุยรู้เรื่องกันเนอะลูกไม่เลี้ยงจะไปว่าลูกไม่เลี้ยงก็ไม่ได้ แต่แล้วเจียมตัวไหมบน่นลูกบ่นหลานเขาโจ้เจโจกเ จ, จ, ก เ, จเลยมันก็เชินเสเด็จไปอยู่บ้านคุณชลาเราไม่เข้าข้างคุณคุณแกเสมอไปเละบ่นเขาแก่แล้วที่บน่นแต่คนที่มาเนี่ยปฏิบัติกฎหมายรรมฐานเนี่ยถึงจะแกยังไงก็ไม่บน่นเพราะมีกรรมฐานไม่เคยบ่นใครเลยเนาะใช่ไหมใช่ไหมไม่เคยบ่นใครเลยใช่ไหมหมาโมทนา โมทนาชาดุการไม่เคยบ่นใครเลยแต่ไปฟังแล้วตี๊สี่โกแล้วแล้ว น, นกวก่าสวดมน์เหรอนั่งบ่นแล้วตี๊สี่เลยเหรอนะบ่นต่แต่ตีสี่เลยคนแก่แล้วเขาอย่าไปบ่นเดี๋ยวเราก็ตายจากไปมนส์สวดมน์โภทนานะคิดว่าเราจะตาจากโลกไปแน่นอนไม่มีใครอยู่หรอกอาตมาก็คิดแล้วต้องไปแน่นะ เนี่ยตายมาแล้วอยู่สองปียังอยู่ได้วันไหนวันเกิดนั่งกรรมาฐานแผ่เมตตาอายุยืนเราไม่วันเกิดอายุยืนเราใครมานี่อายุยืนยังไม่เลยทําไมตายอยู่ได้นานมากรู้ไหมถ้าตายก็อาจจะอยู่ไม่ได้นานนะเชื่อจะมาทําไมตายอยู่ได้นานเราไม่เอาขาถานี้ไปใช้ แล้วกว็บอกยะโจมที่มาเนี่ยเอายาไปสองสิ่งหายใจไว้ทุกวันแล้วกินข้าทุกวันไม่ตายทำไมหายใจไม่รับรองนะนะวันนี้ขออนุโมนาสาธุการขอขอำนาจคุณมาทาตาตาสจัตตุนตายบุรพุชุนนังหลานโปรดประทานพรให้โยมผู้ปฏิบัติกรรมฐานฐ า, านะโยมจะดีโยมจะมีปัญญาจะรวยมหาศาล รวยน้ําเจิดรวยน้ําใจ้วยอัจฉริยสายวิสัยทัดกว้างไกลลูกหลานจะดีทุกคนสวยหน้ารักสวยหน้าดูสวยหน้าตาดีๆทุกคนทําอะไรก็สวยอยู่น้ําใจรวยได้อัจฉริยะสายน้ําใจอางงามวิสัยทัดกว้างไกล ย, ยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลาการรวยได้วิชาการหลักฐานให้ลูกมีงานทําทุกคน ขอผู้สอบุญญาสีประสะประสาทพรให้หยากโยมทุกท่านคู้ปฏิบัติกรรมฐานและพระเถรลานุเถระพระพิษุนวกะนัทานโชคตีนะครับที่มาบวชวันนี้ตีสามตีสี่อุปชาสอนท่านเหนื่อยยากยังไงเป็นไข้อย่างไงก็ต้องถวายความรู้วินยพระปิฎกหยิบยกมาถวายทุกตีสี่เวลาตลอดมาจนกว่าจะออก วัฒนสาวาสันท่านนั้ว่าโชคดีที่มาบวชอยู่ในการอย่าขาดโบสถ์จะเสียใจต่อไปหลังกระผมเองไม่เคยขาดรุ่นนี้เป็นรุ่นมองคลชีวิตรุ่นแก่้ายปัญหาชีวิตรุ่นมีลูกหลานเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมั่งมีสิทธุต่อไปสมปรารถนาที่ตั้งใจไว้ทุกประการลุ่นนี้เป็นรุ่นแก้วสารพัดนึก ทอแก้วแม่ขวัญลูกแก้วแม่ขวัญลูกขวัญลูกแก้วนึกเงินและวนองนึกทองให้มารุ่นนี้ลุ้ น, นแก้วสารพัดขอฝากรุ่นสี่สามไว้เป็นแก้วสารพัดทานที่มาบวชกันเนี่ยทั้งราชการแล ะ, ะ่ยสารรวิสาหกิจทั้งคู่บวชแล้วนั้นรับราชการใดราชการ นึกเงินไหลนองทองไหลมาด้วยกันทุก่์ทจมารดาธนาสิ่งใดที่นึกไว้โดยคุณธรรมและคุณภาพของธรรมะท่านจะสมปราธนาในอนาคตแน่นอนทุกยกระกาบขอความสุขสวัส ด, ดีจงมีแก่ท่านเทละและอวกาศที่ไม่ขาดโบสถ์ขอญาติโยมมาสมบริกาจเจริญเปก็กรรมฐ า, านตลอดไปชีวิตท่านจะเป็นแก่นสารไม่ลายสาระเนื้อหาสาระดีทั้งลูกหลาน จะอยู่เย็นเป็นสดจะมีรูปสวยรวยทรัพย์จะนับวิชาก็จะมีมารยาแถมเป็นชาติภูดีมีสิธรรมสมปรารถนาทุกประการขอทุกท่านจงเจริญไปด้วยอายุวันนาสุขาพัละปฏิภาณธนาสารสมบัติเน้้ถเคจิญุบริการได้สมความมุ่งมาปรารถนาทุกการทุกูปทุกนามณโอกาสนี้เชิญขอเจริญพรทุกๆุกท่านขอฝากญาติโยมทุกคนนะ แต่หากว่าต้องการเนี่ยจเจริญประกา ร, รมาฐานเพราะเวงกรรมตามสนองมาแต่ชาติก่อนปานาติดที่บาดติดมาหกสิบเอร์ซจอดไว้เลยต้องเป็นอมภาพต้องนอนแอ้งแมงจนกว่าจะตายาที่นาทานติดมาอีกหกสิบอร์เซ็นจำไว้เหลือโดนปล้นโดนที่โดนโกงโดนไฟไม่บาดถ้าไม่แก้ าการเมติตมาหกสิบเปอร์เซนจดไว้เลยมีสามีมเป็นของเขามีพยามมีชู้ถึงยังไงก็ครอบครัวหาความสุขไม่ได้ครอบครัวจะไม่มีความสุขความเจริญแต่ประการใดออกมาชัดเนี่ยลูกยมเนี่ยหลายคนเนี่ยคนจะอยู่เมริกาดีมาเกเคยมาที่นี่แตมาหนูบอกตั้งใจนะตั้งใจวบมนภาวนาหนูไปอยู่ที่ไหนก็ดี จะไปอยู่เมืองไหนดีหมดคนดีจะเข้าบ้านไหนดีหมดคนที่ไม่ดีจะเข้าบ้านไหนเดือดร้อนหมดเนี่ยลูกสาวที่คนอยู่เมกาจะมาก็ขอเห็นด้วยแล้วคนโที่ทา น, น, ะนะานอ ไม่เป็นไรเลิกพูดกันได้แล้วโยมเชื่อธรรมาคนที่ไล่กระตันอยู่คนจะไล่บุญวาสนานาสงสารคนที่มีกระตันอยู่ตัวเวชีต่อคุณพ่อคุณแม่จะเป็นลูกเขยก็ดีลูกสะพ้ายก็ดีตาตั้งใจยอย่างนี้รับรองมีจั่ความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรจะเป็นลูกเขยลูกลูกสะพ้ยลูกสาวลูกชาย ถ้าคนไหนไม่มีกระ ต, ตันยูตเวทีหรือพระคุณของบุคคลผู้มีบุญคุณนะจดไว้เลยธรรมะกินไม่เจริญรุ่งไม่รู้จะช่วยยังไงขอฝากไว้เป็นหลักอาตมาเนี่ยตอนงแต่เป็นเด็กมาแล้วนะจะให้อะไรใครไม่จดไม่จำเพราะเหตุใดจึงไม่จดไม่จำตอบได้เลยว่าไม่หวังพูดต่อแข่ ถ้าขายให้น้ํำข้าพเจ้าแม่ทวดเดียวจะไม่ลืมบุญคุณเราทึงเจริญของเรามาอย่างอย่าลืมบุญคุณผู้มีบุญคุณจะมองเห็นทุนกุศลมากหลากหลายมาด้วยการกระทําของตนเนีย่ยโยมเนี่ยต้องมาที่นี่เป็นเวลานานมากหลังจากนันสี่กว่าปีไม่เคยมานี่เพิ่งมาปีนี้ก็ไปตกรลกรรมลําบากเราไม่ใช่ไม่รู้นะ ตออัยธรรมาคเคยไปแวะบ่อยไปภูกเกต็ตเดี๋ยวนี้ไม่เดี๋ยวไปภูกเกต็ตแล้วพังนาภูกเกต็ตทุ่งสงไม่เป็นไรนั่งกรรมฐ า, านแผ่เมตต า, ตาอาอมีฉาลิษยาไม่เหลืไม่เป็นไรไม่เป็นไรไ ไม่เป็นไรนะก็กยากมากโยมแผลไม่ตายรับอัตมาที่มาบอกว่าทุกคนนยะขอประทานโทษสอนเด็กเล็กๆอย่าเถียงพ่อแม่ได้ไหมคิดมาดีกับพ่อกับแม่เมยหลายลายอย่างกรุงเทพเขาเป็นคนจีนคิดว่าเถียงเราเป็นคนไม่ดี เท่านี้เองขาทุนสิบห้าล้านทันเดียวขาทุนเลยนะดีชั่วประการใดก็เป็นพ่อเหเราดีชั่วประการใดก็เป็นแม่หลังทั่วดีทีห่างก็ตามท่านั่งเจริญกรรมฐานเสมอต้นเสมอปลายแล้วแผ่เมตตาเท่านี้เองแล้วก็สวดพาะหุ้มกากให้เทายุกเกินกว่าก็แพ่ไปให้เขาได้มีโอกาสได้ดีได้ ไม่จำต้องกล่าวว่าอยู่ในเมืองเทศฐานลูกไปเรียนที่ต่างประเทศเตเรียกเกษมหมดหลายเงินไปสามสี่ล้านเนี่ยไม่เอาไหนแม่พ่อก็ตายแม่ก็มนางกรรมาฐานครั้งละเจ็ดวันเจ็ดวันแต่กระสวดมนต์ภาวนาบอกเราพ่อดิฉันเนี่ยไม่มีลูกอีเแียวนะมีคนนี้อง น, นั้นตายไปหมดแล้วสองคนเอาละทนไปเขากลับร้ายกายดีทันที เลยเขาก็เรียบเรืองเรี ย, ร ย, รยนหนังสือหังหาขึ้นจบสุดท้ายเป็นปริญญาอีกจบดล้วเติมมาจากเมกาก็ามาเลี้ยงแม่จากความไม่มีอะไรจากไม่มีอะไรเลยกลายมาเป็นคนรวยขึ้นอันนี้ก็เป็นความหวังในชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นการเจริญกรรมาฐานจึงมีประโยชน์มาก ขอฝ่ายญาโยมมาด้วยในการนี้อิจฉาลิษยากันไม่มีประโยชน์หจะเป็นพี่น้องก็ตามขอฝ่าวยายิจฉาลิษยาชึ่งกันเลยกันเป็นผลล่ายกแก่ตัวเองถ้าไม่เกิดอากุศลธรรมคนที่ปูกใจโกรธเนี่ยอิจฉาลิษยาเนี่ยหนึ่งเป็นสาเหตุทําให้เกิดความแตกแยกสามมิตรเป็นอุปสารคในการประสานงานที่ดี สาขาดขวัญกำลังใจต่อผู้ปฏิบัติงานร่วมกันสี่สร้างศัตรูให้กับตัวเองห้าขาดความจริงใจต่อผู้ปฏิบัติงานไม่มีความจริงใจกับใครเลยโรรภชแพทย์นี้จะหาความจริงใจหามไม่ได้เราขอฝากญาติโยมไม่จะเป็นพี่น้อง ก, ก็ตามะะเรมาเจริญกรรมฐานเสมอต้นเสมอปลายจะรู้ของจริงขึ้นมาแล้วจะมีแต่เมตตามีแต่ความปรารถนาดี ต่อทุกๆคนคือแม่ตาปราณีอรีเอื้อเฟือ้อขาดเหลือคอยดูการตลอดรายการก็เป็นผลงานให้กับชุดคุนเขาโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นการเจริญกรรมาฐานทำให้เราเกิดความรักซึ่งกันรละการไม่มีการเกลียดซึ่งกันรละการจะประการใด